พระธรรมเทศนาแผ่นที่104ลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่5พฤศจีกายน2559มีชื่อเรื่องว่าผู้ปฏิบัติดียังมีอยู่มักผลนิพพานก็มีอยู่เช่นกันวันนี้พวก เราคณะทรัพย์สินลูกหลานคณะทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มาพักค้างวัดหลวงพ่อวันนี้เป็นเป็นคืนที่สองและก็วันพุ่งนี้คงจะได้เดินฐานอาหารเสร็จเรียบร้อยตักบาตร ท, ทาบุญตักบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะได้เดินทางกลับกรุงเทพมหานครแต่ที่ยังไงก็ตามพวกคณะ ศรัทธาญาติโยมลูกหลานแต่ว่าลูกหลานก็ว่านะหลวงพ่อเนี่ยเป็นหลวงปู่หลวงตาแล้วนะอายุเจ็ดสิบสองพวกเราท่านอะายเป็นน้องน้องลูกหลุกลันหลานหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยเรียกว่าตัวเองเป็นหลวงพ่อแต่ถึงยังไงถ้าอายุน้อยกว่าหลวงพ่อหน่อยหนึ่งก็ถือว่าเป็นหลวงพี่กันแล้วกันนะแต่ยังไงหลวงพ่อก็แก่กว่าอยู่แล้วเนี่ เราได้ก็เป็นลูกๆลัลนๆที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดหลวงพ่อนะถือว่าถ้าว่าไม่ได้รับความสะดวกสบายอย่างไรก็ให้ถือว่าเราออกทุดงอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังหลวงพ่อมาอยู่วัดป่านาคาน้อยแห่งนี้ดนดันมาจากจังหวัดอุดรมาจากวัดป่าบ้านตาดมาปีแรก ปี2อ2 3นมีทั้งบ้านเมือง ก, กำลังจะเข้าสู่ปกติแต่ถึงยังไงปีนั้นปี 2,3 หลวงพ่อก็ได้ทำรั้วลวดหนามล้อมเป็นบางส่วนที่เขาถวายเพราะว่ากลัวชาวบ้านบางคนเขาอาจจะไม่ซื้ อ, เ, อ, อเมื่อเราซื้อเสร็จแล้วเขาอ า, อาจอะมาแย่งชิงเราก็ชูเขาไปได้เพราะมวลชน เรากลัวมวลชนเนี่ยกลัวมากเพราะเหตุไรถ้าเขาไม่พอใจเขารวมกลุ่มกันเขาไ i, ล่เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่อะไรที่จะสู้กับเขาได้เพราะนั้นหลวงพ่อจึงมีศรัทธาญาติโยมดังกรุงเทพก็เลยสั่งเสาล้วคอนกรีตแบบ4ีคูณ4ี่เสากดเสาอัดแรงสองเมตรห้าสิบสั่งมาจากนครราชสีมาเขากมาส่ง ถึง ว, วัดเราก็หาคนาชาวบ้านมาช่วยๆกันชาวบ้า น, ม, นมันมีชาวบ้านก็ น, น้อยคนันก็บแบกเสาล้วก็หนักอีกพระก็ประมาณสักห้าหก์ ง, งก็ได้นีนะ่เอาได้ขอไปขอร้องทหารพรานเขามาประจำการอยู่ใ น, ในแถบนี่แหละเขาลาดตะเวนเขายังไม่ลดละนะเขายังลาดตะเวนเป็นเป็นกลุ่มๆ โ, โ, โม่ๆกลัวมันจะมีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นนะ เราก็ขอร้องทหารผ่านหวัวเจ้านายเขาเขาก็ยินดีมามาขุดหลุมมาทําทํารั้วให้ถึงจะทํารั้วให้ก็เถอะปืนเอ็มสิหกยังอยู่ข้างหลังอยู่นะเห็นแล้วย่างสมัยนะั้นที่หลวงพอ่อลงมามาอยู่วัดสมัยนั้นนะอ่ะเอนี่ยนณะเขาขุดเสารั้วทํารั้วให้นะเขายังปืนเอ็มสิบหกคนแล้วก็บอกก็บอกภายรุบบนหลังอนาด สรดโถดหูเหมือนกันในสมัยนั้นนะแต่่ก็ได้เป็นวัดขึ้นมาแต่สำหรับหลวงพ่อเองมาอยู่ใหม่ๆอย่างที่หลวงพ่อได้เรียนให้ทราบเมื่อกี้เนะี่ยพอมาถึงแล้วก็กวาดใบไม้ขึ้นมาเป็นกองใบไม้แห้งพอมาชุมาอยู่ช่วงช่วงเดือนกุมภ า, ากุมภาใบไม้กำลังร่วงกวาดใบไม้ขึ้นมาเป็นกองก็ทำความสะอาดรอบๆจากนั้นก็ เอาเสือขึ้นไปปูปูที่กองไม้ต่อใบไม้ถ้าปูกับพื้นมันก็แข็งและอีกส่วนนึงก็ปวกมันจะขึ้นมากัดเสืออีกตั้งหากแต่ถ้าเราบอกเอาใบไม้ขึ้นไปกองขึ้นเป็นภูนขึ้นมาแล้วก็เอาเสือไปปูทับจากนั้นก็ปักกดขึงเชือกแล้วก็กดห้อยลงมาแล้วกันกลางมง้ง กางมุงกระเม็นตีนม้งเข้าไปในใต้เสือเพื่อมาให้มแมลงหตะขาบ เ, เข้าไปกัดเราคนนอนแบบระมัดระวังแบบขดๆสักหน่อยแหละแล้วก็ไม่ให้ขาหรือออกล้าไปในมุงอีกต่างหากนอนด้วยความระมัดระวังเนี่ยชีวิตของหลวงพ่อที่มาอยู่วัดใหม่ๆทุกจนขนาดนั้นนะคณะสัทธาญาติโยม เพราะนั้นพวกเราที่มาอยู่อย่างนี้ถึงจะได้รับความไม่สะดวกไม่สบายอย่างไรก็ให้คิดถึงหลวงพ่อสมัยหลวงพ่อมาอยู่ใหม่ทุกจนขนาดนั่นลหละและทันี้หลวงพ่อเมื่อมาถึงขนาดนี้แล้วทหลวงพ่อถ้าจะว่าไม่มีทุนหรอมีมีทุนที่จะทำให้สร้างที่พักพักอาศัยให้ดูสะดวกสบายก็ได้ แต่ต้องพ่อมาทบทวนดูอีกทีนี่ถ้าว่าเราเออถ้าว่ามันคัดข้องก็สร้างมาขัดข้องก็สร้างแต่ก็ไม่ศรัทธาญาติหวงก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ทุกวี่ทุกวันนนานๆทีอย่างพวกเราท่านทั้งหลายปีหนึ่งอาจจะมาครั้งหนึ่งหรือสองครั้งอย่างนี้แล้วตึกหรืออาคารที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นที่พักของ หนูของข้างเขาจิงจกตุกแกแล้วใครจะเป็นคนรักษาเป็นภาระของพระเอกต่ดูแลรักษาอีกนานทีญาติยดโยมจะมาครั้งหนึ่งแล้วจานี้เราจะรักษาอย่างนั้นเข้ามามันจะทำยังไงทปัญหาที่รักษาอีกต่างหากถ้าว่าไม่สร้างก็จะทายญาติดโยมลูกหลานมาหาที่พักไม่ได้ แต่ถ้าจะสร้างให้รองรับคนก็เป็นปัญหาสําหรับผู้ที่ดูแลรักษานะมันหนักอยู่นะศรัทธาญาติโยมลูกหลานที่เป็นหัวหน้าเนะี่ยสมพาน <c oughs> สมพานเนีคิดหนักเหมือนกนะอันจะทำยังไงเพื่อจะจึงจะถูกต้องจึงจะเหมาะสมเนะนะเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็เลยทำอย่างที่ลูกหลานได้เห็นนะ่นะ สะดวกสบายบ้างทุกบ้างผู้ที่ใยในการศึกษาเรียนรู้เออถือว่ามาทุรงก็แล้วกันออกมาพักภ า, าวนาจะให้ได้สะดวกสบายเหมือนโรงแรมห้าดาวนู่คงเป็นไปไม่ได้ละพอเราอยู่ในป่าถ้าใครได้รับความสะดวกก็จะรับความทุกข์ยากลำบากในการพักผ่อนใครคิดถึงหลวงพ่อก็แล้วกัน หลวงพ่อมาอยู่นะ่ะทุกยาขนาดนั้นนะห้องน้ําห้องส้วมไม่ต้องพูดถึงเอให้เขาขุดเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมมาไว้เวลาถ่ายเสร็จแล้วก็เอาดินกบเออแล้วก็ต่อมาก็ถก่ายหลุมนั้นอีกแล้วก็ดินกบเอทําให้กบก็ได้มันเหม็นใช่ไหมละ่ะนี่แหละมันต้องมีวิ ช, ว ช, ชาป่าวิ ช, ชาป่าต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้หลวงพ่อบอกให้พวกเราได้ได เรียนรู้ได้รับรู้รับทราบนะแต่ถึงยังไงขอให้พวกเราคณะสัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานที่เข้ามาคราวนี้ครั้งนี้เพื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาทัศนะศึกษาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพวกวันวานวันก่อนนะและก็วันนี้เป็นวันที่5พฤิจิกายนพุทธศักราช2559ั คณะพวกเราก็คือเป็นกลุ่มกลุ่มพลังปัญญาแล้วก็มีหลายชื่ออย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเมื่อวานนี้แต่ก็ออกมาจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถ้าจะว่าไปผู้ใหญ่ในกรมกองของพวกเราท่านมองท่านมองไกล มองแบบใช้ความรอบครอบถ้าเราจะอยู่ในกรมกองแห่งเดียวเราไม่ได้เห็นชนนบทไม่ได้มีการทัศนศึกษาในชนนบทหรือว่าศึกษาแต่ศึกษาอยู่แต่ข้างนอกแต่วัดวาศาสนาเราไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาได้มาศึกษามันก็ไม่ครบอีกเหมือนกันเพราะว่าวัดวาศาสนาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็น มันเป็นศูนย์ศูนย์รวมของศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องประชาชนในท้องถิน่นในที่นั้นๆอย่างวัดป่านาคำน้อยของเราเราก็เนี่ยบินทบาทกับชาวบ้านเขาเขา ท, ทาบุญตั้งสี่หมู่บ้านบินทบาทมีสายมีสีมีสีสายการบินคือบินทบาท <c oughs> อ, อันนี้ก็ไป ปิ่นทับบาตแต่ละสายเนี่ยก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นชาวบ้านเขาก็พออกพอใจทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ก็เดินไปเรื่อยๆเดินเรียงแถวกันอันนี้ก็คือเป็นขนบธรรมเนียมของพระกรรมฐานที่อยู่ในป่าพอได้อาหารมาแล้วก็แจกแบ่งกันผู้น้อยผู้ใหญ่ จากนั้นก็แบ่งทั่วถึงจากทนั้นก็อาหารที่มันเหลือจากพระสงฆ์ศรัทธายาจโฉงคุณแบ่งกันอกีกให้ได้ทานอาหารทั่วถึงกันสรุปแล้วก็คือการทั่วถึงนั่นแหะการแจกแบ่งอาหารให้ทั่วถึงที่พระกูบาอาจารย์พระกรรมฐานแต่ท่านก็ฉันมือเดียวพอฉันเสร็จแล้วท่านก็มีอะไรก็แจกแบ่งไปท่านก็กลับหาที่พักของท่าน ถ้าว่าตอนบ่ายถ้าว่าองค์ไหนอยากจะมาฉันปานะลงมาฉันตอนบ่ายสองโมงถ้าองค์ไหนไม่ฉันก็ต้องไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ลงมาก็ได้บ่ายสี่โมงบ่ายสามโมงเราก็กปัดกวาดทาความสะอาดพร้อมพร้อมเพียงกันเดี๋ยวนี้พระทั้งหมดก็สีสิบกว่ารูปในวัดของเรา ต่างๆมาจากต่างถิ่นด้วยแล้ก็พระจำพรรษาด้วยแต่พระจำพรรษาที่เป็นขรรษการเป็นครูเป็นขรรษการก็ออกพรรษาแล้วก็ถึงกําหนดวันลาสิกขาก็ไปหลายองค์เหมือนกันนะห้าหกองมั้งนี่แหละอันนี้ก็คือกฎระเบียดที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นชีวิตประจําวันของพระแต่วันพรุ่งนี้เราก็ทําอย่างเก่า วันต่อไปเราก็ทำอย่างเก่าแต่บางคนบางท่านที่เขามาบวชผู้ไม่ได้ไม่รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีแล้ววัดจุดมุ่งหมายของพระสงฆ์มาเห็นแล้วพระสงฆ์ไม่ได้มีอะไรน่าเบื่อมาอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรตอนตื่นเช้ามากันนะไปบินทาบาทตอนสายมากันลักล้างกนตอนเย็นมากันอย่างนี้ แต่ตามไม่จริงในหลักของพุทธศาสนาในพระธรรมคำสอนของพุทธะหรือปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้มุ่งหวังในทีน่แนวแนวแถวที่พาดำเนินเท่านี้ท่านมุ่งหวังทางด้านจิตใจเหมือนกับพวกเราเด็กนักเรียนตื่นขึ้นมาแต่เช้ า, าล้างหน้าล้างตาอาบน้ำ ใส่ชุดนักเรียน เ, เตรียมพอสมุดดินส อ, เ, อเตรียมตัวไปโรงเรียนอพอไปโรงเรียนเสร็จแล้วก็เข้าไปในห้องเรียนเสร็จแล้วก็ทานอาหารเทีย่ยงแล้วก็เรียนต่ออีกตอนบ่ายจากนั้นก็มีอะไรก็เล่นกีฬงกีฬา น, นิดหน่อยแล้วก็กลับบ้านแล้วก็วันพุธนี้ก็ไปอีกแต่หน้าเบื่อพอมันทาอย่างนี้ทุกวัน แต่ผลที่ได้นะี่คืออะไรนะั่ก็ผลที่ได้ก็คือการที่ไปไปเรียนหนังสือวิชาความรู้ที่ครูประสิทธตประสาทให้อันนั้นคือสิ่งที่เราต้องการนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าพวกเราใยในการศึกษาใยในการเรียนรู้ในเมื่อเรามาฉันปินฑบาตตอนเช้าเสร็จแล้วนะพอกลับไปกุฏิของเราอยู่ตามลําพังเราก็เดินจงกรม พอเดินโยกรมเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาขึ้นกุฏิแล้วก็ปิดกุฏินั่งสมาธิภาวนาหรือจะอ่านหนังสือหรือท่องหนังสือกระสุดแท้แต่ให้เอาเปลี่ยนเวลาของตนเองจะให้ทำอย่างไรโดยเฉพาะอย่างจริงพระกรรมฐานเนี่ยท่านจะให้ภาวนาเป็นส่วนมากอาพอเสร็จแล้วพอฉันเสร็จแล้วกลับไปท่านจะพักก็พักซะออกจากพักกันนั่งคัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้ายจากนั้นก็ปนมมือขึ้นระหว่าง อ, อกไหวครูสะก่อนคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธโธคือพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูตนชาติดาต้นพระพุทธศาสนาเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับเกี่ยวกับเรื่องภาวนาเรื่องกฎระเบียบเรื่องพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าธรรมโมก็ ค, คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่ท่านได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นได้ประกาศพระธรรมแนวความคิดแนวความรู้ของพระองค์ที่ได้ตัดรู้นั้นท่านเอามาสอนเอามาแนะแนวให้กับพวกเราและก็สังโฆ ค, คือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้รับพระธรรมคําสอนและก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนได้สําเร็จมรรคสาเร็จผล จากนั้นก็ได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศมาเผยแผ่ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาได้เรียนรู้ถ้าหากว่าไม่มีพระสงฆ์นําพระธรรมคําสอนออกมาประกาศเผยแผ่พวกเราคงไม่รู้พระธรรมก็คงจะหมดในยุคสมัยนั้นนี่แหละเวลาเราจะนั่งภาวนาเราจึงระลึกถึงบุญคุณระลึกถึงพระคุณคือพุทธโธคือพระพุทธเจ้าธรรมโม คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสังโฆ ค, คือพระสงฆ์สาวกที่ผู้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเปลี่นทุกสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าจากนั้นเราก็นะเอามือลงและก บ, บริกรรมพุทโธใครจะทําจิตใจให้สงบกับบริกรรมจุดนั้นใครองค์ไหนที่ภาวนาทางวิปัสสนาก็พิจารณาแยกแยะให้ใจของเรา รู้แจ้งเห็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายไม่ยึดมั่นถือมัน่นแต่ตัวนี้จิตใจที่จะทำให้รู้แจ้งเห็นจริงจุดนี้เนะ่มันไม่ใช่ทำของทำได้ง่ายๆภาวนาขราวนี้โยกคลอนเพื่อจะถอดถอนขาวหน้าถอนอกีกขราวหน้าถอนอีกจนรู้แจ้งเห็นจริงจนชัดเจน มันจึงจะเบื่อหน่ายคลายขึ้นมาได้เพราะใจของเราเนี่ยมันติดในภพในชาติเกิดมาแต่ภพไหนชาติไหนมันไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติมันเกิดขึ้นมาแต่สมัยเป็นไส้เดือนก็มีขึ้นมาเป็นต้นต ก, กระตงต ก, กระแตนเป็นนกกระจิบนกกระจาบจนถึงมาถึงบัดนี้แหละแต่ละภพบแต่ละชาติมันมีนมกิเลส ราคะโทสากหัวติดจิตติดใจมาเพราะนั้นเราจะมารื้อถอนพบชาติในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ของใดง่ายๆแต่ยังไงก็ออกเราคงจะได้บำเพ็ญ ม, มาในอดีตชาติพอสมควรจึงได้มาเห็นได้มาพบพระธรรมคำสอนของพุทธะจะได้เกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นเราก็ลงมือประพฤติธปฏิบัต ตามแนวแถวของพุทธะนี่แหละอันนี้ก็คือหน้าที่ของพระสงฆ์เป็นพระกรรมฐานอยู่ในป่าจากนั้นก็ตกตอนเย็นมันก็จุดเทียนเดินจงกรมขาขวาพุทขาซ้ายโถและจะยืนก็ได้ยืนในกุฏิยืนยืนภาวนายืนเดินนั่งแต่ท่านไม่แนะนำในการนอนภาวนาพอนอนภาวนามันหลับได้เร็วแต่บางองค์ก็ คนที่หลับยากบางทีนอนไม่หลับท่านก็ให้ภาวนานอนภาวนาก็ได้อริยาบทสียืนเดินนั่งนอนได้ทั้งนั้นเว้นเสียตะหลับถ้าหลับแปลว่าหมดสิทธิ์เพราะนั้นเรื่องการภาวนาของพระสงฆ์คือหน้าที่ของพระสงฆ์นี่แหละคือพระอยู่ในป่าแต่ทางฝ่ายบ้านเมืองทางฝ่ายปริยัตฝ่ายเรียนหนังสืออันนั้น ท่านก็ต้องสอนหนังสื อ, เ, อเรียนนักธรรมตรีโทเอกแล้วก็สอนทางปริยัติธรรมสอนอภิธรรมมีมากมายาท่านสอนหักหลักธรรมแต่ในพวกเราเนี่ยสอนทางภาคปฏิบัติต่ า, างฝ่ายทั้งฝ่ายปริยัต์ไนอะ้ว่าท่าสอนทางตำราสอนแผนที่ เ, เดินยังไง เ, เดินยังไงจะปฏิบัติยังไงอันนี้คือแผนที่ แต่พวกเราเนี่ยรู้แผนที่ไม่มากแต่รู้เฉพาะที่เราจะเปิดเดินไปจุดไหนจากนั้นเราก็มาภาวนาจากนั้นก็เมื่อภาวนาถึงจุดหมายปลายทางแต่รับคำแนะนำจากครูบาอาจารย์บ้างจากนั้นก็ปฏิเวทธรรมสรุปแล้วก็คือปริยัตคือแผนที่ปฏิบัติคือเดินตามแผนที่ปฏิเวทคือผลแห่งการปฏิบัต ถึงจุดหมายปลายทางปฏิเวตธรรมนี่แหละอันนี้ก็คือให้พวกเราเข้าใจว่าพุทธศาสนาในท่านสอนลักษณะอย่างนี้แต่ในวันนี้หลวงพ่อเองอยากจะแนะนำแนวแถวปฏิปทาสายหลวงปู่มั่นให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาอีกรอบเนึ่งเพราะว่าหลวงพ่อเองก็ยังที่ได้เล่าให้คณะจตหายาตโยมได้ฟังว่า หลวงพ่อบวชเป็นสัมมาณีก็ศึกษาก็อยู่หลวงปู่ล่าจากนั้นก็หลวงปู่จามหลวงปู่แหวนหลวงตามหาบัวที่บอกเป็นมาสายนี้ทั้งหมดปู่แหวนกับลูกศิษย์หลวงปู่มันลุงล่าหลวงปู่มันปู่จามก็หลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวก็บุหลวงปู่มันเป็นสายหลวงปู่มันเพราะฉนั้นหลวงพ่อเกิดใหญ่มาแนวแถวสายหลวงปู่มั่น แต่หลวงพ่อไมพูดสายอื่นแต่มีสายอื่นก็นมีแยะเยอะแยะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวที่หลวงพ่อไปประเทศอินโดนีเซียเมื่อปีปีนะีเ่เมื่อต้นปีอพอไปเห็นชาวพี่น้องอินโดนีเซีย เ, เขาก็มีสถานที่บําเพ็ญเป็นสถานที่เข้าคลอดเขา คือเศรษฐีอินโดนีเซียเขาจัดเป็นสถานที่ไว้เลยนะถ้าว่าใครจะมาปฏิบัติธรรมที่เขาเขาให้เลยเขามอบให้เลยสถานที่ตรงนั้นแต่นี้เราก็ได้ไปสถานที่เขาไปถามเขาคนก็เข้ามาเป็นร้อยสองร้อยคนเหมือนกันนะหลวงพ่อไปหลวงพ่อเขาไปถามไทยโอ้เออมันมีทั้งหลายแนวทางละเกิน พอม่าก็ไม่รู้วกี่แนวทางที่เบตก็มีสีรลังกาก็มีเวียดนามก็มี เ, เกาหลีไต้หวันมีทั้งหมดแต่เราก็สืบสอบถามดูเขาก็อธิบายให้ฟังก็มีหลายหลา ย, หลายเรื่องราวเหมือนกันนะ่ะฟังๆหนอ่งเพราะนั้น หลวงพ่อจึงบอกว่าแต่ละสายจะว่าเขาผิดไหมกไม็ไม่ควรจะพูดอย่างนั้นแตบบบ่บางเรื่องเราก็เราก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันวิธีการแนะนำแต่ว่าบางเรื่อง เ, ออเราก็เห็นด้วยแต่ถึงยังไงก็าตามอันนั้นคือแนวความคิดของท่านเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย มันก็เป็นเรื่องของของแต่ละแนวความคิดของแต่ละสายในการปร ะ, ประพุทธปฏิบัติธรรมแต่นี่เราไม่ได้ว่ากัน เ, เพราะ เ, เขาเขาว่าถูกต้อง เ, ออเราจะไปเปลี่ยนความคิดเขาก็าไม่ได้เขาจะมาเปลี่ยนความคิดเราเขาก็ไม่รู้จะเปลี่ยนอีกเหมือนอย่างไ ด, ได้อย่างไร เ, เราก็เชื่อมั่นในตัวของเราอีกเหมือนกันแต่ที่ยังไง เ, เราก็ยึดแนวแถวปฏิปทา ของหลวงปู่มั่นแต่หลวงปู่แต่หลวงพ่อไปที่นู่นหลวงพ่อก็บอกวันนเราจะสอนวิธีการแนวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาแต่พวกท่านทั้งหลายจะเลือกเอาแขนไหนอันนั้นก็ได้ไม่เป็นไรเราไม่ได้ขัดข้องแต่ลวงเรามั่นใจว่าแนวแถวสายหลวงปู่มั่นพาดาเนินเนี่ยว่า เป็นสายสายหนึ่งแต่พวกเราที่เราได้ฟังสายอื่นที่ท่านเขาอธิบายให้ฟังก็มีแต่เรื่องสมถะคือทำจิตใจให้สงบติดใจให้เป็นหนึ่งแต่เรื่องจะสอนเรื่องวิปัสนาแนวความคิดให้แยกแยะจิตใจที่มันหลงลุ่มหลงมัวเมา ในกิเลสในกิเลสราคะโทสะโมหานั้นโดยมากจะไม่ค่อยได้ไดพิจารณาทางวิปัสสนากันพอฟังนะพี่จะสอนยุบหนอพองหนอก้าวเนาะเดินเนาะจากนั้นก็เพ่งอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งลักษณะอย่างนั้นอันนี้คือที่เราได้ศึกษาแต่สายลงปู่มั่นของเราเนี่ยอันนั้นคือท่านบอกว่าอันนั้นคือสมถะ ทำจิตใจให้สงบเหมือนกับเราเขาเป็นนอนในห้องแอร์อแล้วก็นอนอไม่ได้หาไม่ได้ออกมาหาเกินไม่ได้ออกมาห า, าความรู้ความฉลาดอยู่ข้างนอกมีแต่พักผ่อนเข้าไปแล้วกิทานอาหารเสร็จแล้วก็พักผ่อนมีความสุขอยู่ในในสมาธินั้นเอถ้าไม่เกิดประโยชน์มันต้องนํามาพิจารณา ทางด้านปัญญามันจึงจะเกิดประโยชน์จึงจะเปิดเกิดประโยชน์ที่แท้จริงจึเกิดจะเกิดประโยชน์เกิดความเบื่อหน่ายคลายจึงจะหลุดพ้นจากอาสะวะกิเลสไปได้นี่แหละอันนี้คือเรามาพิจารณานดูฟังดูแล้วโดยมากจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ทั้งนี้ทางนั้นเราก็ไม่ได้ตําหนิท่านเพราะเราก็ไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดมากจากท่านเหล่านั้นเพียงแต่ได้ยิน อธิบายให้ฟังเราก็ฟัง ค, คือจุดหมายปลายทางแต่ละพระสงฆ์ที่เข้ามาอบรมเข้าคอร์สของศรัทธาญาติโยมแต่ว่าทางพ่อมาเข้ามาบ่อยบ่อยมากๆเพราะนั้นศรัทธาญาติโยมทางเข้าไปทางพ่อมาเนี่มากกว่าเพราะพระไทยนานๆได้ไปทีแต่ทางพ่อมานี่เขามาอบรมบ่อยเข้าคอร์สบ่อยนะ แต่ในหลวงพ่อถามถามดูแล้วอย่างพระไทย น, นั่นนานไปที่จะมาสอนเรื่องเรื่องจิตตภาวนาแต่ท่านสอนท่านก็สอนอย่างอื่นสอนคนกลุ่มน้อยนะแต่หลวงพ่อไปโดยมากก็เป็นคนกลุ่มใหญ่พอสมควรที่ได้ไปพบไปเจอกันนี่แหละอันนี้ก็คือการแนะนำสั่งสอนบอกกล่าว นานาจิตต่างนานาทัศนะจริงๆมาพิจรารณาดูแล้วนะแต่ว่าเหมือนกับการหาทรัพย์การสะสะแสวงหาทรัพย์เขาก็วานแต่ถึงจะไ ม, ไม่ได้เป็นเศรษฐีการทำไร่เขอโผล่ก็พออยู่พอกินพอเลี้ยงตัวเองได้เกรยดยางก็พอเลี้ยงตัวเองได้วิชาอาชีพไหนก็พอเลี้ยงตัวเองได้ ก็ได้เงินเหมือนกันแต่จะได้เป็นเศรษฐีเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระาราหันทำยังไงอันนี้ใครๆเขามุ่งหวังมุ่งมั่นด้วยกันทั้งหมดแต่จะถึงจุดหมายปลายทางขนาดนั้นมันใครๆเขามุ่งหวังแต่จะถึงไม่ถึงหรือไม่ถึงแต่สายหลวงปู่มั่นของพวกเราโดยมาก ท่านยืนยันยืนจัดถึงท่านเจ้าองค์องค์ไหนที่จะพูดหรือไม่พูดก็าตามแต่องค์หลวงตามหาบัวเนีท่านพูดให้ฟังเลยบอกว่าเราได้สําเร็จรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่วัดดอยธรรมเจดีเวัยเลดเวลาเท่านั้นวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นก่อนที่เราจะหลุดพ้นจากอาสวัคคเลสมันเป็นอย่างนั้นท่านอธิบายให้ชัดเจน แต่องค์อื่นท่านก็อธิบายอยู่แต่ท่านไม่พูดเพราะมันเกี่ยวกับวินัยด้วย เ, เพราะว่าวินัยเนี่ยภิกษุอวดอุตริมนุษส ธ, ธรรมคือทํามันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนต้องปาลชิกถ้ามีในตนปับปาจิตติอบัตเบาเแต่หลวงตามหาบัวเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยถ้าบอกให้พระภิกษุนะไม่เป็นอบัติพระภิกษุเดียวกันแต่บอกให้โยมเป็นอบัติ ธันวาเนี่ยเวลาเราพูดแต่ละครั้งเลยมีพระนั่งอยู่ด้วยทุกครั้งเราถือว่าเราพูดให้พระฟังก็แล้วกันธันวาเนเราพูดให้พระฟังก็แล้วกันยอมจะฟังได้ไหมฟังกันสุดแท้แต่เอออันนั้นเหมือนกับเราหวานข้าวให้ไก่กินเอาไก่กินนะ่ะเออแต่เป็ดห่านหรือหมูจะกินด้วยก็ไม่ว่ากันเออธันวาอย่างนั้นนะตรงตาเนะ่ อถ้าจะเลี่ยงบาลีก็ใช่นะเออแต่ตามไม่จริงท่านก่อนแต่อธิมายเองก็ฟังฟังดูแล้วก็เห็นด้วยกันองหลวงตานะถ้าว่าหลวงตามหาบัวไม่พูดนะไม่พูดให้ชัดเจนเนี่ยพวกเราคงจะสงสัยขนาดพระเองก็ยังบอกว่ามรรคผลมรรคผลนิพพานหมดแล้วไม่มีอีกแล้วมรรคผลนิพพานได้ยินหนาหูขึ้นเรื่อยๆแต่หลวงตายืนหยัดยืนหยัดเลย มักผลนิพพานยังคงเส้นคงว่าถ้าว่ายังมีผู้ปฏิบัติอยู่มักผลนิพพานยังมีเหมือนกับไฟสมัยนู้นกับไฟสมัยนี้น่ะมันร้อนเหมือนกันนั่นแหละถ้าไฟสมุนสมุนสมัยนู้นร้อนถ้าไฟสมัยนี้เย็นเอราจะค่อยว่ากันนี่สมัยนั้นสมัยที่มันเหมือนกันเอแต่มักผลนิพพานทําไมในอริยสัจสีทุกสมุทัยนี้โรธมักมี ย่งคงเส้นคงวาพิจารณาตรลักษณ์อนิจังทุกขังอนัตตามีการพิจารณากรรมฐานกรรมฐานอนิจังทุกขังอนัตตาเรื่องไตรลักษณ์เรือรเร่องกรรมฐานอของพุทธะที่กายเวทนาจิตรธรรมก็มี มันก็ยังคงเส้นคงวาอยู่แต่เราจะทำให้ถูกไหมทำถูกต้องถูกทางไหมถ้าเราทำถูกต้องถูกทางมันก็ถึงจุดหมายปลายทางได้เหมือนครั้งพุทธกาลอันนี้หลวงตามหาบัวท่านยืนยัดยืนยันวิธีการภาวนาของท่านท่านทำอย่างไร น, นี่หลวงพ่อจะเ ล, เล่าให้กับคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานได้ฟังวิธีการภาวนาขององค์หลวงตาฮอ ท่านเมื่อคืนในหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับการภาวนาของพระพุทธเจ้าที่ท่านที่ท่านไ ป, ไปบำเพ็ญอยู่ที่โคลนต้นโพในวันเดือนหกพผ่แต่วันนี้หลวงพ่ออยากจะเล่าความเป็นมาขององค์หลวงตาที่ในยุคปัจจุบันในเร็วที่พึงท่านยืนยัดยืนยันว่าท่านได้บำเพ็ญลทุกข์หมดกิเลสท่านยืนยัด ท่านบอกว่าเมื่อท่านเรียนได้สอบมาหาป ร, ริญญาสามประโยคได้ที่วัดตอยธรรมที่วัดยีดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ปีนั้นท่านในนักะธรรมเอกกับมาหาป ร, ริญญาสามพร้อมกันสอบปีเดียวได้พร้อมกันที่วัดยีดีหลวงแต่ความตั้งใจขององค์หลวงตาท่านบอกว่าเมื่อได้มาหาป ร, ริญญาสามประโยคแล้วจะออก ป, ปฏิบัติจะพอพอในการ ในประยัติธรรม้จะพอเมื่อออกเมื่อเราได้แล้วเราจะออกแต่ทั้งฝ่ายครูบาอาจารย์ทั้งฝ่ายเจ้าฟ้าเจ้าคุณโดยเฉพาะอย่างยริงท่านจุคุณสมเด็จทางวัดพระศรีมหาธาตุท่านก็หมายมั่นปั้นมือเหมือนกันอยจะให้หลวงตาบาบัวท่านเป็นคนจริงจัง จริงจังและจริงใจนิสัยก็เข้มแข็งการดูแลหูพกเพื่อนก็เป็นกำลังส่วนหนึ่งคือฝ่ายพระผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์น่เห็นลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นกำลังให้ท่านก็จะไม่ให้อยากจะให้หนีไปที่อื่นแต่ในใจของหลวงตามหาปัวท่านเมื่อจบมาหาป ร, รียาท่านต้องออกเข้าป่า พอเสร็จแล้วพอจบมาแล้วก็ลงท่านก็มาลงมากรุงเทพกรุงเทพเสร็จแล้วท่านเจ้าคุณสมเด็จเนี่ยท่านอยากจะให้อยู่ท่านขโมยหนีเลยท่านเนี่ยหนีออกจากนะเป็นลาพอเป็นลาท่านเลยออกจะขอไปเที่ยวขอไปออกไปที่อืนไปบ้านละลักษณะอย่างนั้นเลยแต่ในใจของท่านนะ่คือจะออกมาปฏิบัติ จากนั้นปีนั้นท่านก็มาจำพรรษาที่อาเภอจักราชพรามันชวนจะเข้าพรรษาพอจบพรรษาแล้วท่านก็เดินตามหาหลวงปู่มั่นมาพบที่บ้านโคกใกล้ๆวัด ой, าาดอยธมเจดีวัดหลวงปู่แบนขณะนี้แหละบ้านโคกตำบลตองโคกจังหวัดสุค น, นครพอเข้าไปวันนั้นเขาไปใกลค้ค่ำ พ่อใครๆว่าเข้าไปเดินทางไปไปถึงใกล้คำหลวงปู่มั่นท่านก็ท่านยังเดินจงกลมอยู่พอพเเพเนี่ยกาลังมืดมองไม่เห็นกันมองเห็นนั่นแะพอล่ำไหลเพราะไม่มีไฟฉายสมัยนั้นหลวงตามหาบัวก็ไปครับไปเห็นใครมาท่านหลวงปู่มั่นก็ถามใครใครมาผมครับผมเป็นใครวะ ผมยืงหวัวกับผมเหมือนกันนะผมเป็นใครผมมหาบัวครับเออต้องพูดอย่างนั้นสิหลวงปู่มันฝัน็เลยขึ้นไปแล้ลไปจัดจุดตะเกียงโปะเล็กๆอยู่ที่สาลาแทนพักโดยมากจากหลวงปู่มันจะพักที่สาลาที่หอฉันกันจะกันห้องแทนก็ขึ้นมาก็เปิเปดๆ เ, เสร็จแล้วก็ทงตาหมาบัวนะครกบไปกราบท่านมาจากไหนเนี่ย หลวงปู่มั่นก็ถามตามหาบุกต็ตอบกาปเปลียนท่านอท่านจะไปยังไงมาจะไงแล้ก็บอกว่าผมจะมาขอมอบกายถาวายตัวเป็นลูกศิษย์ของอท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะจะมาศึกษาธรรมะกับผมฮถตาจะศึกษาธรรมะนะอท่านก็ได้เรียนเป็นมหาขนาดนี้แหละเป็นมหาปเปลียนสามประโยค นักธรรมเอกที่ท่านบอกให้ผมฟังเนี่ยเอาเถอะนะถ้าว่าท่านจะปฏิบัตินะเอความรู้ของท่านทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านได้เรียนมาทั้งหมด่ะออท่านอย่ า, อ, าออกมาเปรียบเทียบอย่าออกมามันจะสับสนท่านเอาเข้าไว้ในตู้ในหีบไว้ก่อนล็อกกุญแจไว้อไม่ต้องเอามาออกมาเปรียบเทียบในการภาวนา ทางั้นมันจะยุ่งเหยิงวุ่นวายให้ท่านภาวนาพุโทโธเท่านั้นนะให้บริกรรมนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเวลาเดินขาขวาพุทขาซ้ายโธเวลาบินธบาตขาขวาพุทขาซ้ายโธบินธบาตเวลาปัดกวาดเวียงขวาพุทเวียงท้ายฝ่ายซ้ายโธนะให้อยู่กับพุโทโธเท่านั้นอย่าไปส่งจิตส่งใจออกไปทางอื่นนะนี่แหละเอาเพียงแค่นี้พอเอาไม่ได้ ให้อยู่กับพุทธโธหลวงปู่มั่นสอนหลวงตามหาบัวขั้งแรกท่านหลวงตาพูดให้ฟังจากนั้นท่านก็ลงมือปฏิบัติอพอตะกอนหน้านี้นะหลวงตามหาบัวภาวนาไม่ได้บบริกรรมพุทธโธนะมีตัวหายำกํากนดลมหายใจเข้ารั่วหายใจเข้าหายใจออกรั่วหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้คือโรวงตามหาบุตรท่านภาวนาก่อนหนานั้นมันหลุดได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายมันเสื่อมจิตใจมันเสื่อมได้ง่ายท่ามันเห็นได้ชัดก็ที่ท่านมาพักอยู่ที่บ้านตาเท่าพอมาท่านเห็นไม้ไผ่เพะะิ่งท่านเลยมาทำ ก, ดทำกดรดทากรดเพกดท่านมันพังท่านก็นมาทากดจิตใจมันเสื่อมทีนี้ มันเสื่อมเกือบจะอยู่ไม่ไม่ได้ในศาสนาเพราะมาอยู่บ้านเก่าอีกต่างหากไฟเก่ามันเอฐานเก่ามันถูกมันมันติดไฟได้ง่ายใช่ไหมละ่ะฐานเกา่าอันนี้ก็เหมือนกันนะท่านมาอยู่ที่บ้านตายเขาคงจะเห็นเพวกสงสูศ์สาสูงศ์สา ว, สสาวอายุถึงยี่สิบกว่าปีใช่ไหมละ่ะอายุเพียงเจ็ดพันษาสมไมนั้นแต่มหาปเปลี่ยนอีกต่างหากนะเนี่ยแต่เนี่เขาโวไม่ได้ ให้คืนอยู่ในตายเลยท่ก็เลยเปิดหนีออกจากบ้านเลยทำกฎยังไม่เสร็จทันวันน่ะไอ้องหลวงตาท่านผูดเอจา้าท่านก็ไปตามถึงหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นให้ภาวนากําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมให้ถูมีคําบริกรรมด้วยฉะนั้นหลวงตาก็ปฏิบัติตามแนวแถวหลวงปู่มัน่นตะโมโหบังคับวันแรกเนี่ยนะเอา เราจะไม่ให้จิตมันเผลอไปที่อื่นขาขวาพดทธขาซ้ายโถเดินไม่ให้มันเผลอแต่นี่พอนั่งภาวนากําหนดลมหายใจเข้าพดทธหายใจออกโถโอ้วันแรกเนี่ยมันรู้มันเหมือนบังคับมันหนักมากๆากนะว่างานที่เราเคยทําว่ามันงานหนักนะมาบังคับจิตตัวนี้เนี่ยมันหนักเกี่งกว่าอะไรอีกเท่านะมันบังคับมันไม่มีไม่อยู่นะมันเล็ดลอดเลย ใช้บังคับอพอวันที่สองหนักวันที่สามหนักแต่เบากว่าวันวันวันสองวันวันที่สามพอวันที่สี่แปลว่าเอาเอาอยู่เลยไอพอเอาอยู่เลยบังคับให้อยู่เลยมีสติสัมปชัญญะบังคับตัวให้อยู่พอวันที่ห้าที่หกคือมาขาวนี่ไม่เสื่อมเท่าไหรพอมัน สติของมันเข้มแ ข, แข็งปึกเลยท่านว่านะใครข่าวว่าเข้มแข็งกำหนดนี่อยู่เลยใจเนี่ยมันถะเอะถลายไปที่อื่นใจอยู่กับตัวตลอดใจอยู่แน่งไ ม, ไม่หวิวไม่หอยอันนี้ก็คือดวงตาท่านเล่าให้ฟังจากนั้นก็พอจากนั้นท่านก็ภาวนาอยู่กับหลวงปู่มันหลายหลายเดือนเหมือนกันนะท่านก็ หลวงปู่มั่นทักว่าถามมานะเออเป็นไงมหาภาวนาโอ้จิตใจรู้สึกว่าสงบดีครับผมจิตใจเน่งแต่ในความในใจเนะี่ยจิตใจสงบเน่งนะเลยในความรู้สึกมันจะเกิดปัญญาเองทันว่านะในความรู้สึกเนาะมันจะเกิดปัญญาเองจะเกิดมันจะเกิดวิปัตนาวิกปัตนาปัญญาเองเมื่อเราจิตทําจิตให้สงบแล้วนะออในความรู้สึก อันนี้แหละคือนิพพานมันเย็นมันมีความสุขมากแหมในวันนัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่ยงกว่าความสงบไม่มีท่านบอกโอ้โหมันสุขมันไม่ออกไปไหนพราะกําหนดภาวนา น, นั่งเงียบสบเต้งจิตใจเป็นหนึ่งอยู่ตลอดแหมบางทีนั่งตลอดทั้งคืนได้พอตอนหัวค่าทีแรก เคยขั้นเคยนั่งครั้งแรกทำไมเราจะนั่งตลอดทั้งคืนวันนี้เราจะไม่ลุกโดยเด็ดขาดอ ต, ตั้งจิตใหนฐานถึงจะมันจะขี้มันจะเยี่ยวเราจะไม่ยอมลุกเอถ้ามันถ่ายให้มันทะลักออกไปเลยแต่สมัยเมื่อเป็นเด็กพ่อแม่ของเรายัางล้างให้เราได้แต่วันนี้เราเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้แห่มันออกไเอเราจะไม่ลุกจากที่เด็ดขาด ท่านท่านตั้งจิตอธิษฐานขนาดนั้นละ่ะจากนั้นท่านก็นั่งภาวน า, าจิตใจสงบตลอดทั้งคืนเลยเอพอสว่างเป็นวันใหม่เวลาได้เวลาบินทบาทโอ้ได้เวลาบินทบาทท่านก็ลุกเลยเลยเอพอลุกถึงหงายหลังตึงเลยพราะอะเพราะมันขามันเป็นเน็บนะาขาไม่ไปไม่ไปตามบัญชาที่ ไ ป, ปาพายา่วงใจมันไม่รับไปรับรู้ทางทางร่างกายเลยเอพอลุกขึ้นมากายหลังทุดๆๆแต่เด้กก็เลยจับขาตัวเองเนี่ยยืดยืดซะก่อนจับขาอันนี้ยืดพอยืดเสร็จแล้วก็นวดนวดนว ด, นวดขาตัวเองจากนั้นก็นขยับขยับทั้งปลายเท้าดูขยับทั้งสองข้างดูรู้สึก พอรู้สึกเส็จแล้วเราท่านก็นลุกขึ้นมาออจากนั้นพอต่อไปพอจะนั่งสมาธินออพอออกพอได้เวลานะ่จะต้องจับขาตัวเองงัดออกซะก่อนท่านว่าถ้าไม่งไม่ได้งายหลังท้วนเลยท่านว่านะอันนี้ก็คือท่านท่านทำมาแล้วท่านนั่งตลอดทั้งคืนออบางทีก็สองสามวันนั่งคืนสี่ห้าวันนั่งคืน แต่ถ้าวันไหนฝนตกนะฝนตกพล่ำพล่ำนั่งภาวนาดีมากคืนนั้นมันจะไม่มันจะไม่เหนื่อยจิตใจสงบแต่วันไหนร้อนๆอากาศร้อนอูดเน่าไปนั่งภาวนาโอ้อันนั้นนั่งแล้วเหนื่อยมากบางทีมันเข้าไปสงบไปแล้วก็ถอนออกมาแล้วก็เข้าไปถอนออกมาเข้าไปถอนก่อนที่จะสว่างได้วันนั้นรู้สึกเหนื่อยแต่ว่าเพราะถ้อากาศมัน โอตุไม่สับปลายะเนยอันนี้คือท่านก็พูดให้ฟังในทีนี้เมื่อหลวงปู่มั่นถามว่าเป็นไงมหานั่งภาวนานั่งได้ครับผมตลอดทั้งคืนก็ได้ทังทำจิตให้สงบนิ่งเลยครับผมเออเนื่เมื่อจิตใจเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบผ่านความสงบแล้วให้นํามาพิจารณาทางด้านปัญญานะถอนออกมาให้พิจารณาทางด้านปัญญาวิปัสนาอันนั้นมันสงบเนะี่ย มันเพียงแต่มันเข้าไปพักผ่อนเฉยๆมันไม่ไม่มันยังไม่ถึงนะมันยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางพีง่นเ อ, อเหมือนกับคนกินอิ่มนอนหลับแล้วก็เหมือนกินอิม่มแล้วก็เข้าไปพักในห้องแอร์นอนพักสบายแล้วก็ออกมาออกมาแล้วก็เข้าไปพักอีกสบายไม่ได้การงานไม่ได้ทำการทำงานผลงานจะไม่มี ลักษณะอย่างนั้นต่นี้ก็หลวงตาทังขกงหลวงปูม่มาในพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาคือคือพิจารณาเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหมวใจตับพังผืดไตปอดใส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้คือท่านให้พิจารณาเหมือนกับแพทย์หมอทั้งหลาย ชําแหละอาจารย์ใหญ่ลักษณะอย่างนั้นนะให้ชําแหละดูร่างกายขนะองเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมในเมื่อร่างกายเมื่อใจออกจากร่างแล้วร่างกายของเราเนี่ยหมดเหมือนกับทนไม้ทนฟืน เ, เราจะผ่าเราจะฟันยังไงก็ไม่เจ็บไม่ปวดเพร่ออะไรเพราะใจของเราออกจากร่างแล้วนี่ให้พิจารณานะร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรานะ ทีนี้ก่อนเนี่ยนะลงตามหาบัวทั้งก่อนถอนออกมาทีนี้ถอนออกมาพิจารณามันเหนื่อยทีนี้มันพิจารณามันเหนื่อยนะพิจารณาธรรมะเดินวิปัสสนาเนี่ยเหนื่อยมันก็ไม่ยอมออกนะเนี่อมันก็เข้าสมาธิมันสบายกว่าเานี่งเงียบสบายกว่าแต่ทีนี้หลวงปู่มั่นท่านก็ถามอีกไปไงมหามันออกทางวิปัสสนาไหมจิตไม่ออกครับ อท่านอาจารย์มันชอบมันชอบสงบมันอยู่ในความสงบมันไม่ยอมออกแลยผมพยายามบังคับให้ออกมันไม่ออกเลยเฮ้มันต้องบังคับให้ออกสีมันจะไปติดอยู่ไงในในสมาธิสมาธิเนี่ยเหมือนกับเนื้ออยู่ติดติดอยู่ในในไหลฝันนั่นเองมันมีความสุขเพียงแค่นั้นะเหมือนกับเนื้อติดอยู่ในไหลฝันรสชาติมันเพียงแค่นั้น่ะต้องถอนออก บังคับบอกจะไ่อยู่ไม่ได้นะเดินช้าเออหลวงปู่กระแทกเสียงอย่างแรงโอ้ไม่ได้เวลาต้องฟังท่านจากนั้นหลวงตามหาบัวก็เลยนำออกมาพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายออร่างกายของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงแท้แนนอนเป็นอสุภะปฏิกูลอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกสลายหลงสู่ดินน้ำลมไฟร่างกายมันไม่ใช่ตัวตนของเรา อย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะมันบอกไม่ได้นะร่างกายเลยมันจะต้องไหลไปตามสภาพของมันจะเป็นของเราได้ยังไงเมื่อเราบอกว่าไม่ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายมันก็ยังไหลไปตามสภาพจะเป็นของเราได้เหรอใจจะเป็นหลงร่างกายนะในเมื่อพิจารณาเห็นร่างกายของตนเองแยกแยะแบง่งแยกส่วนแบง่งส่วนเห็นพิจารณากระดูกพิจารณาห น, นังเนือเอ็นกระดูกพิจารณาร่างกาย ทีี้มันตะเริดเปิดเปิงเลยที้โอ้ตายตายตเราไปนอนอยู่ในสมาธินอนนอนอยู่เฉยเฉยมันไม่เห็นตามความเป็นจริงเนี้ยตัวเนี่ยมันหลงมันหลงร่างกายเลยคนหลงร่างกายซะก่อนหลงลาบหลงยศสงสรนเสริญหลงพี่หลงน้องหลงสามีภรรยาหลงใครต่อหลงใครมันออกหลงกายซะก่อนเป็นเป็นการหลงครั้งแรกนะ ถ้าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรานะ่ะจะไปหลงอย่างอื่นได้ยังไงขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเรานะในเมื่อพิจารณาร่างกายเท่าะทะนั้นเออใจมันออกพิจารณาเห็นอันเนี้จังทุกขังอนาานันตาเท่นี้เข้าสมาธิไม่ได้นอนไม่หลับเลยเทน่นี้เออนอนตาแข็งเลยพิจารณามันมีแต่พิจารณาอย่างเดียวอันนี้แหะถูกต้องนะเออท่นี้ก็ไปกราบหลวงปู่มั่นอีก ข อ, อกาพรพ่อแม่กูญาจกับผมเ อ, อพิจารณาทางด้านปัญญาออกปัญญาอะไรเนีกับผมมันออกเตลดเิดเปิดเปิงเลยนอนไม่หลับเลยนะเยออมันมีแต่พิจารณาอย่างเดียมีแต่ค้นคว้าอย่างเดียว เ, ยเ อ, อจนนอนไม่หลับจนนอนไม่ได้กับผมนั่นแหละมันจะเป็นบ้าจะ <laughs> ให้มันเตลิดเปิดเปลืองได้ยังไงพิจารณาพอสมควรให้เข้าสมาธิให้ได้ ในเมื่อเขาเมื่อพิจารณาแล้วพอประมาณแล้วให้พิจรารณาให้กําหนดให้เข้าสมาธิให้ได้ในเมื่อพิจรารณาเข้าสมาธิให้ได้แล้วกนํามาพิจารณานําเมื่อพิจารณาแล้วให้นําไปพักผ่อนให้ได้ให้เข้าสมาธิให้ได้นะถ้าอย่างนั้นเป็นบ้านนะหลงสังขารบ้านสังขารบ้านหลงสังขารบ้านชัญญาบ้านสังขารได้เหรอมันไม่ได้ นี่แหละอันนี้ก็คือหลวงตามหาบัวท่านเล่าให้ฟังจากนั้นท่านก็บังคับให้มันเข้าสมาธิทิ่มคือสรุปแล้วท่านว่าหลวงตาท่านก็เลยสรุปให้ฟังสรุปแล้วสมาธิคือทําจิตใจให้สงบให้เป็นหนึ่งวิปัสนานะคือการไก่ตองไต่ตอ ง, ตองเหมือนกับเราไปทํางานในเมื่อเราไปทํางาน อ, อไปถางปาา่าได้หญ้าอะไรก็ตาม เออเมาื่อเห็นผลว่าเนี่ยแหละ เ, เราไปทาํามาค้าขายผลกําไรมันออกมาเห็นได้เลยเห็นได้ในในตัวของเราเราทํางานผลของงานออกมาอาแต่เราจะหลงละเลงในผลงานจนไ ม, ม่จนไม่พักไม่พรเออจนไม่มีเวลาพักผ่อนมิแต่าทางานตลอดมันก็เบอร์ไปอีกเหมือนกันเพราะนั้นเวลาทํางานเสร็จ ทำงานแล้วในผลผ ม, มเอากลับมาให้พักผ่อนนั่งเข้าสมาธิในเมื่อสมาธิพักผ่อนพอสมควรเดินปัญญาพอเปิดปัญญาเหนื่อยมันเพลียเอากลับเข้ามาพักผ่อนในสมาธิอันนั้นคือความถูกต้องเท่าไรเพราะฉนั้นนี่แหละคือแนวทางของครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาทางสมถะและวิปัสสนา จากนั้นขอท่านคนเดินสายนี้จนตลอดจนถึงท่านพิจารณ า, นานรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมกะท่วัดลอยธรรมเจดีย์ท่านได้ปล่อยวางรงจุดนั้นท่านก็ประกาศเลยว่าชาติที่เป็นชาติจุดท้ายของเราเราคงไม่มาเกิดทีแล้วตามแนวแถวของพุท ธ, ธะพราะพรุทธเจ้าตรัสอย่างไรที่เราก็รู้เห็นรู้เห็นเป็นจริงอย่างที่ พราะพรุทธเจ้าได้ตัดได้พูดได้กล่าวไว้ทุกต้องไม่สงสัยอันนี้ก็คือแนวแถวขององค์หลวงตานะจากนั้นครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านได้บำเพ็ญมาอย่างที่ว่ า, ไ ม, วาวมไม่ว่าหลวงปู่มั่นไม่ว่าหลวงปู่เสาหลวงตามหาบัวครูบาอาจารย์หลวงปู่เขาวเวลาท่านมรณภาพลงไปกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็น เ, เกือบทกองค์นี่แหละอันนี้ก็คือที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ว่าหลวงพ่อบอกกล่าวโดยเชื่อมั่นว่าแนวปฏิปทาของหลวงปู่มันมันมีแนวทางท่านเดินยังไงสมถทท่านเดินยังไงวิปัสสนาท่านรู้แจ้งเห็นจริงยังไงในธรรมในขณะที่ท่านรู้แจ้งเห็นจริงนี่แหละมันเป็นเป็นขั้นตอนสําหรับผู้ปร ะ, ประพฤติปฏิบัติ เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราถึงจะไปถึงขั้นนั้นก็เถอะใครฟังเอาไว้ว่าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีแนวทางของท่านให้พวกเราฟังและศึกษาแต่ถึงยังไงก็ตามหลวงพ่อเน้นหนักจุดที่ว่าตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกถามว่าพวกเราอยากจะรู้ เรื่องภาวนานเพียงจิตใจสงบท่านเองจิตใจเป็นหนึ่งท่านเองพอจิตใจเป็นหนึ่งร่างกายกับใจใจกับร่างกายเป็นคนละอันกันเห็นได้ชัดในความรู้สึกของตนเองอร่างใจของเราเนี่ยไม่รับรู้ทางกายกายเหมือนกับรถร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถ รถจะไปได้ต้องอาศัยคนขับนี้ก็เหมือนกันร่างกายที่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ต้องอาศัยใจต้องอาศัยตัวผู้รู้ตัวนามธรรมตัวนี้ลนะอยู่ในร่างกายเพราะนั้นในร่างกายของเราจรึงมีสองรูปประธรรมกับนามธรรมนะรูปประธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจแต่ในหลักของพุทธศาสนาท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกาย ท่านจึงตัดเป็นพุทธภาษิและเป็นพระบาลีว่ามโนปุพังขมาธรร ม, มามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละอันนี้ก็คือในหลักของพุทธะนะประด็ของไอ้พวกเราคณะสัทธาญาโจมให้ฟังให้ศึกษาแนวแถวของพุทธะแต่ถึงยังไง พวกเราก็ามาศึกษาธรรมะในคราวนี้ก็คือหาจุดยืนให้เราจิตใจของเรามั่นคงจิตใจเป็นสมาธินะ่ะ เ, เมื่อจิตใจของเรามั่นคงเป็นสมาธิเป็นผู้ใหญ่การมองการงานข้างนอกอย่าให้ขาดตกบกพร่องอแต่ข้างในของเราก็ให้รู้ให้เชื่อกรรมเชื่อผล ข, ของกรรมกรรมคือการกระทำเราทำดีแล้วจะชั่วได้ยังไง ถ้าเราทำชั่วแล้วจะดีได้ยังไงให้เราทำดีที่สุด เ, เมื่อได้มอบหมายหน้าที่การงานอันไหนจากผู้ใหญ่เราพยายามทำดีให้ดีที่สุดในการงานนั้นๆแล้วก็พร้อมกันเราก็ทำตัวอย่างให้พวกลูกน้องดูอีกตั้งหากะ เ, เราอยากจะให้ลูกน้องดีเราต้องทำดีให้ลูกน้องดู เหมือนกับพ่อแมนะ่อยากจะให้ลูกตนเองดีก็ต้องทําดีให้ลูกตนเองดูหลวงพ่อก็เหมือนกันถ้าอยากให้ลูกศิษย์ลูกหาของตนเองดีหลวงพ่อก็ต้องทําดีให้ลูกศิษย์ลูกหาดูเอาเป็นตัวอย่างนเะนี่แหล ะ, ะไม่ใช่ว่าผู้เป็นหัวหน้าทําอีกอย่างหนึ่งได้าอยากจะให้ลูกน้องเป็นคนดีมันยากอยู่นะเพรานะฉะนั้นขอฝากให้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่าน และก็พร้อมกันการทำการทำงานของพวกเร า, เ, าเป็นข้าราชการระดับไหนก็จะ เ, เ, เป็นหัวหน้าือเป็นลูกน้องเป็นระดับไหนให้พวกเราถามตนเองไว้อยู่เสมอลุงพ่อนะลุงพอบอกนะลงพอบอกให้พวกเราถามตนเองนะถ้าว่าเราทำงานอย่างนี้ทะเลาะทะลายอย่างนีนะ้ถ้าเป็นเงินของเราเราจะกล้าจ้างเราไหมเนี่ยให้ถามตนเองนะ ถ้าคนอื่นถามเนะี่ยเราจะโมโหให้เขานะให้ถามตนเองถ้าเป็นเงินของเรานะเนี่ยเงินเดือนวันเท่านี้แหละถ้าเราทำงานอย่างนี้ทนะเลถาลายอย่างนี้ล่ะเราจะกล้าจ้างเราไหมเนี่ยถ้ า, าว่าเราอุ้ยถ้าหากว่าเป็นเงินของเราทำงานอย่างเราเนี่ยเราก้าจ้างแน่เลยเแสดงว่าเราทำงานเต็มที่ไม่ขาดตกบกพร่องนะ แต่ถ้าเรามองตนเองแล้วขนาดเงินตัวเองยังไม่กล้าจ้างตัวเองแสดงว่าเรานะทำงานอ่อนแอนะเพราะนั้นขอให้พวกเรามองมองตนเองอันนี้โอปัยญิกูนะโอปัญญิกูให้มองตนเองเอให้ทำนาะให้ทางานาให้ทางานให้สมกับเงินที่เขาให้ยังน้อพ่อก็เหมือนกันในหลักของพุทธศาสนาพรอพุทธเจ้าท่านว่ดดูก่อนสูงทั้งหลาย ถ้าว่าพวกเธอทั้งหลายไปบินทบาทจากชาวบ้านมาแล้วพอมาถึงมาถึงที่พักแล้วมีแต่พูดเรื่องสัพเพเหระมีแต่พูดเรื่องบาทเรื่องเมืองเรื่องอะไรต่อมิอะไรออกนอกรูนอกทางอันนั้นแปลว่าไม่คุ้มค่าข้าว ข, ของเขานะถ้าพวกเธอไปบินทบาทมาฉันแล้วไปหยุดโคนต้นไม้หรือในที่ว่างโดยเฉพาที่สงบนั่งสะค สมา่าทขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายพิจารณาถึงไตรลักษณ์อเนจังทุกขังอนัตตาเห็นความเกิดความเสื่อมเห็นร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราเพียงลัดนิ้วมือเดียวก็คุ้มฆ่าเขาแล้วคุ้มค่าข้าของเขาเอพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นนะมีค่าเหมือนกันนะเพราะนั้นพวกเรากัเป็นข้าราชการทุกระดับโอเหมือนกัน เราก็ต้องมองตัวเองว่าเราทำงานอย่างนี้คุ้มค่างเงินของเขาไหมถ้าเป็นเงินของเราเราจะกล้าจ้างเราไหมเนะี่ยถามอยงั้นนะเอีอ่การพูดวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาข อ, อยุติไว้เทียงตอนนี้นะ